วัฒนธรรมในการกินดีอยู่ดีหนึ่งมีพระบัญญัติมีให้ภิกษุเก็บอาหารไว้ค้างคืนในห้องนอนที่เรียกอันโตวุถะเพราะจะกลายเป็นเอาห้องนอนเป็นห้องเก็บอาหาร 2. มีให้ภิกษุอุ้งต้มอาหารในห้องที่อยู่ที่เรียกว่าอันโตปะกะ เราจะกลายเป็นเอาห้องนอนเป็นห้องครัว 3. มีให้ภิกษุใช้ภาชนะน้ำหรือภาชนะอาหารร่วมกันซึ่งในปัจจุบันทางอนามัยถือว่าป้องกันโรคติดต่อได้ดีฉะนั้นถ้าจะให้พระชันอาหารเป็นวงจึงควรมีช้อนกลางภาชนะน้ำแยกองค์ละที่ 4. มีให้ฉันอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนเพราะอาจเป็นของบูดเน่าและแสดงอาการสะสม 5. พานุงพาห่มที่ตั้งใจไว้ประจำหรืออธิษฐานจะต้องไม่ปล่อยให้ขาดเป็นช่องโตเท่าหลังเล็บก้อยจะต้องปะชุนให้ดี 6. จะต้องรู้จักรักษาความสะอาดร่างกาย ไม่ปล่อยให้เล็บยาวเกินไปซึ่งรวมถึงคนจมูกด้วยนะครับ 7. ในการรับคนเข้าหมูไม่ใช่สักแต่ว่าขอเข้ามาบวชก็อนุ ญ, ญาตให้บวชต้องเลือกคนที่ไม่มีโรคติดต่อไม่มีนี่สินไม่มีข้อผูกพันต่างๆได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้วเพื่อความพาสุกในเมื่อบวชแล้ว 8. ในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดผู้ใดเห็นสกรปรกไม่จัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำความสะอาดหรือน้ำชำระที่ใช้แล้วเหลือทิ้งไว้ในหม้อชำระด้วยความมักง่ายมีที่ปรับอาบัดไว้9ในที่ประชุมสองตุกตึงเดือนหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันทำก่อนประชุมคือปัดกวาดสถานที่ ตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้ให้เรียบร้อยส0บิกสุไม่เป็นไข้ห้ามถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนเคละคือน้ำลายลงในน้ำคำว่าเป็นไข้หมายถึงมีเหตุจำเป็นเพราะอาพาธหาที่อื่นไม่ได้จริงๆ